อัฏฐาระวัตตะว่าด้วยวัด18ข้อในปฏิสารณียกรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ถูกสงลงปฏิสารณียกรรมพึงประพฤติชอบการประพฤติชอบในเรื่องนั้นดังนี้ 1. ไม่พึงให้อุปสมบท 2. ไม่พึงให้นิสัย 3. ไม่พึงใช้สามเณรอุปถาะ 4. ไม่พึงรับแต่งตั้งเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 5. แม้ได้รับแต่งตั้งแล้วก็ไม่พึงสั่งสอนภิกษุณี 6. ไม่พึงต้องอาบัตที่เป็นเหตุให้ถูกสงลงปฏิสารณียกรรมอีก 7. ไม่พึงต้องอาบัตอื่นทำนองเดียวกัน 8. ไม่พึงต้องอาบัตที่เลวซรามกว่านั้น 9. ไม่พึงตำหนิกรรม 10. ไม่พึงตำหนิภิกษุผู้ทำกรรม 11. ไม่พึงงดอุโบสถแก่ปกตตะภิกษุ 12. ไม่พึงงดปวารณาแก่ปกตตะภิกษุ 13. ไม่พึงทำการไต่สวน 14. ไม่พึงเริ่มอนุวาทาทิกร 15. ไม่พึงขอโอกาสภิกษุอื่น 16. ไม่พึงโจทย์ภิกษุอื่น 17. ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ 18. ไม่พึงชักชวนกันก่อความทะเลาะอัฏฐานะวัตตะในปฏิสารณียกรรมจบ